วันให้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันที่24ธันวา52ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2เป็นวันปฏิบัติเป็นวันไหว้พระสมาทานศีลเป็นวันร่วมกันประชุมตอนเย็น ตอนเช้าพวกเราก็ได้จำบุญทำทานตามปกติพอนนอกพรรษาท่านในพรรษาพวกเราก็ได้สมาทานศีลทุกวันพระแต่เมื่อออกพรรษาแล้วพวกเราก็สมาทานศีลตามความเหมาะสมแต่ละท่านแต่ถึงยังไงก็จะให้ยาให้พวกเราห่างเหินจนเกินไป ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจให้รักษาคุณงามความดีให้สม่ำเสมอเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มอย่างนั้นน่ะไพวกเราเห็นเกลือไหมไจะพกพาติดตัวไปต่างประเทศไปในที่ไหนไหนเกลือก็ยังทรงความเค็มของมันไว้อยู่อย่างนั้นพวกเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าไปอยู่ณนะออกพรรษาหรือในพรรษาไปอยู่ณสถานที่ใดพวกเราก็ควรจะส่งคุณงามความดีไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มฉันนั้นนะไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้วแล้วก็ปล่อยปะละเลยเพอในพรรษาแล้วก็ทำกุจีกุจอเข้ามารักษาศีลภาวนาปฏิบัติหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกนะ เพราะว่าชีวิตของพวกเราทุกทุกท่านไม่ว่าพระไม่ว่าครวญญาติโยมไม่มีชีวิตไหนที่จะล ด, ดลาวาสอกกว่าออกพรรษาแล้วยมมาทูตพญายมพระบาลยมมาทูตเขาไม่ติดตามชลาพญาธิมรณะไม่ติดตามไม่ได้มีข้อแม้ แม้แต่หน่อยเดียวออกพรรษานอกพรรษาในพรรษาหน้าแล้งหน้าฝนไม่ลวดหลับไม่ลวดตื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับหมาไล่เนื้อตามมาอยู่ตลอดไปล่ำเวลาขณะ น, นี้ใครคาว่าเราอยู่ดีมีสุขไม่มีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เราก็รู้สึกว่าหมาเหมือนกับอยู่มันอยู่หมาห่างๆไปว่างั้นแต่แต่ทางว่าพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยหมา <c ười> ขยำผิดขยับถูกว่างั้นเถอะในท่วงในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วให้ประกอบคุณงามความดี ใครมีหน้าที่อะไรในเมื่อมีหน้าที่การงานเออทำในหน้าที่การงานแต่ถึงอย่างไงก็อย่าลืมทางด้านจิตภาวนาเรื่องจิตภาวนาเนี่เป็นเรื่องที่เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องหัวใจจริงๆเมือนอั้นเถอะไม่ใช่ยึหลังอย่างอื่นเข้าบวชเข้ามาทั้งทีบวชเข้ามาเพื่ออะไร ถ้าถามเข้ามาบวชมาเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อหลบการหาเลี้ยงชีพเพราะเป็นกระว اة หาเลี้ยงชีพอยากก็เลยเข้ามาบวชคนเขาก็จะหัวเราะทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเหตุใดเพราะมันไม่ใช่จุดประสงค์แต่เขาวชเข้ามานี้บวช ม, มาเพื่ออะไรมาเพื่อประกอบคุณงามความดีสําหรับพระกรรมฐานนี่กร บวชมาเพื่อจิตตภาวนาโดยเฉพาะถ้าบวชเป็นฝ่ายครวญกบวชบวชเพื่อการศึกษาปริยัติธรรม เ, เรียนนักธรรมตรีโทเอกมหาเป ร, เรีญ เ, เรียนเพื่อบวชเข้ามาเพื่อศึกษาธรรมธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ดํารงทรงสานาให้ยืดยาวนานอันนั้นก็คือฝ่ายปริยัติธรรม แต่ฝ่ายกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามาบวชมาบวชเพื่ออะไรพวกเราก็จะตอบให้ถูกต้องที่สุดก็คือบวชเข้ามาเพื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกกรรมาฐานฝึกสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาบวชเข้ามาเพื่อรักษาศีลสมณะ คือพระหินบวชศีลสอง2้ยคือพระจะรักเขาบวชเข้ามาเพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้บริสุทธิ์จากนั้นก็เมื่อศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็จะฝึกหัดทางกิตภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้ว ก็จะใช้จะเดินวิปัสนาเดินวิปัสนาเดินมักจากนั้นก็จะให้พิจารณาเห็นอนันใดจางทุกขังอันาตาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ในหลักธรรมคำสอนคือท่า น, นเขียนกุยหมายปลายทางป้ายทางเอาไว้แล้วคห้เขาเขียนแผนที่ให้พวกเราเดินอยู่แล้วพวกเราเข้าบวชเข้ามานะกับเดินตาม ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตราเอาไว้และเขียนเอาไว้แล้วอไปที่ไหนหๆพระธรรมแปดหมื่นหมื่นสี่พันพระธรรมาขันธนั้นนั่นแหละคือแผนที่แต่ว่าอมันกว้างขวางเกินไปแต่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเคยเดินทับมาแล้วท่านผ่านที่ไหนๆมา ท่านก่อนได้แนะแนวให้พวกเราเดินตามควรจะทำใจยังไงควรจะเลี้ยงชีพยังไงควรจะเป็นอยู่ยังไงตลอดถึงการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการคุยการสนทนาปาลบแนวความคิดเรื่องต่างๆร้วนแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวไว้ให้เป็นแนวทางของพวกเราไว้ทั้งหมดแล้ว เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้เดินตามแนวแถวอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรขอให้พวกเราเดินตามแนวแถวนั้นละ่ะท่านสอนไว้อดนอนเนอะอ่อนอาหารเนออฉันน้อยเนอะ นอนน้อยเนอะอย่างนี้พวกเราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าพวกเราอยากจะเป็นพระที่ถูกต้องที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าว่าพวกเราเบวชเข้ามาไม่ได้คิดได้อ่านเพียงตะวัสักตว่วบวเชเฉยเฉยบวชเข้ามาเพื่อได้ผ้ากาสวพัดเพียงตะห่มผ้าเหลืองศีษะโลนเท่านั้น มันนอกเกินไปน่ะพอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการบอกกล่าวว่าพวกเราบวชเข้ามานี้เพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางที่เราบวชเข้ามานี้อันไหนคือจุดสูงสุดที่เรามุ่งหวังฮนี่แหละ ให้พวกเราหาถามตัวเองถามแนวความคิดของตัวเองแต่ถ้าพวกเราไม่ถามนะเสเ ป, สปะสนปะอพอทำการทำงานเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่านะงานการ ง, งานนะะั่นแหละเป็นสรรางคัดฉามาิเล่าเรียนขึ้นมาก็ถือว่าการเราเรียนนั่นแหละเป็นสารางคัดฉามิเป็นที่พึ่งจากนั้นมาก็ ได้ยศถาบรราศักด์ขึ้นมาก็ถือวันนั้นแหละเป็นชรนังขัตฉามิพอมีชื่อมีเสียงโด่งดังขึ้นมาเขาศรัทธาญาติโยมเขารันับถือเลื่อมใสก็พอใจในเพียงแค่นั้นเป็นที่อยู่ของตนเอง เ, อเป็นที่ยึดมั่นถือมันเป็นชรนัง เ, เป็นชรณะของตัวเองอีกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ จุดมุ่งหมายไม่ใช่จุดประสงค์ของพุทธะไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะปวดอมาแล้วให้ตั้งใจเรื่องภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างมากวัดของเราทุกคืนให้พวกเราฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตากลางคืนท่านจะเทศธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่สองทุถึงตนะีห้าน ผมไม่ได้ถือว่าผมขาดตกปกพ่องในการอบรมแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนผมคิดว่าผมพร้อมบริบูรณ์แต่พวกเราพวกท่านทั้งหลายจะฟังหรือไม่เท่านั้นเองแต่ทางว่าพวกท่านทั้งหลายเอาสำลีอุดหูไว้จะเสียงดังขนาดไหนเข้าไปมันก็ไม่เข่าเพราะเหตุไรเพราะพวกท่านอุดหูเอาไว้ แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรถึงจะมีสถานีวิทยุเป็นเสียงธรรมะที่ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ฟังแล้วจะว่ายังไงทีนี้แล้วเขามาบวชเพื่ออะไรศึกษาอะไรคนที่จะเฉลียวฉลาดที่จะมีความรู้ความฉลาดสามารถได้เรียนรู้ธรรมะทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้น เเป็นเครื่องอยู่แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้ากันนี้แหละก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากตำรับตำราจากพระไตรปิฎกนี่ศึกษาเรื่องนั้นบ้างเลื่องนี้บ้างอย่างนั้นก็เป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจใจของเราก็จะได้เข้มแข็งขึ้นจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเรา มีความาตั้งอกตั้งใจเรียว่าใยใยในการศึกษาอย่างนั้นผมว่ามีช่องมีทางนะแต่ถ้าว่าเข้ามาบวชแล้วก็อยู่เป็นวันๆซื่อบือ้อซื่อบื้อไปอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องนะใหญ่ก็ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ซื้อบื้ออย่างนั้นอ่ะใหญ่ไม่คิดใหญ่ไม่อ่านพอพูดทั้งที่จะเป็นธรรมะธรรมโมทั้งที่จะเป็นเรื่องมักเรื่องผลนู่นไปเอาเรื่อง ไหนก็ไม่รู้เรื่องสเปรย์แล้ที่เขาไม่พูดเอามาพูด อ, อย่างนี้มันไม่ถูกนะพวกเราท่นทานทั้งหลายต้องคิดนะพูดธรรมะตัวเองมาประพฤติปฏิบัติน่ายจะเอาธรรมะออกมาพูดนูน่นเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องที่เขาไม่พูดเอามาพูดเมื่อเราเป็นพระเพราะนั้นให้รู้จักคำพูดรู้จักหน้าที่รู้จักการวางตัว อของพวกเราถ้าพวกเราทําอย่างนั้นถูกแล้วนั่นแหละพวกเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นสกยบุตรละ่ะเพราะทําถูกตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองจะไม่พูดอะไรมากเอาตอนนี้ไปพระทันอัดเอ็มพีสามที่ไปเทศงานหลวงปู่เลี้ยนที่ผ่านมาเนี่ยนะ เปิดให้พวกเราฟังดูสิทำไมหลวงพ่อจะไม่ได้เปิดของหลวงตาพราของหลวงตาเนะี่ยเปิดทั้งคืนอยู่แล้วพวกเราจะเปิดเวลาไหนพวกเราก็ได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่เปิดซ้ำขอนะให้พวกเราเปิดนะฟังธรรมะรมคำสอนขององค์หลวงตานะเวลากลางค่ำกลางคืนดึกสงัดนะตอนนี้ไปให้พวกเรานั่งสมาธิแล้วนะที่นี่นะเอาไปเปิดเอมพสาให้ฟังนะ